ธรรมเทศนาแผ่นที่48ดลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15พฤษภาคม2554วันวิสาขาบูชามีชื่อเรื่องว่ามานะทิฏฐิลบหลู่ครูอาจารย์และธรรมปฏิบัติ ในวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งเป็นวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2554วันวิสาขามีวันเดียวเท่านี้่วันอื่นก็เป็นวันอื่นแต่วันนี้เป็นวันยกสมมติว่าเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพรานั้นเมื่อมาถึงวันนี้ พวกเราก็ได้พร้อมกันทำศักกระราลึกถึงพระพุทธทเจ้าบรมครูของพวกเราเป็นวันประสูตรคือวันเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นวันตัดรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นวันปรินิพานคือวันตายแือวันอันดับขันปรินิพานของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่ง ของพุทธบริษัทเมื่อถึงวันนี้พวกเราทุกคนไม่ว่าเป็นพระเป็นว่าไม่ว่าเป็นคราวาสญาติโยมได้พร้อมกันทําสักการะบูชาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ทำํำมุกีเนีกได้กล่าวคําถวายเครื่องสักการะเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้พวกเราเข้าใจจากนั้นก็ได้ทำพระทักษิณ รอบพุทธปฏิมาคือพระพุทธโรคที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พวกเราได้ทำพักศินรอบศาลาสาม ร, รอบเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสักการะอย่างสูงสุดในวันพิสาถาบูชาแล้วก็เราทำอีกครั้งหนึ่งคือวันมาฆบูชา วันนั้นเราก็ได้ทำสักการะคือลํำลึกถึงพระสงฆ์พังรรูปที่มาประชุมกันตั้งกฎกติกาคือกฎหมายรัธรรมนูญของพระปกครองสงฆ์คือพวินัยพระพุทธเจ้าในวันเดือนสามเพลนพระพุทธองค์เป็นประธานพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระสงฆ์พันสงรูปถ้าว่าไม่มีการ ตั้งกฎหมายกฎปกครองสงฆ์พระสงฆ์จะอยู่มาถึงยาวขนาดนี้ไม่ได้อันนี้วันนันกตรีวบวงเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งที่พวกเราพระสงฆ์จะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีกฎต้องมีระเบียบ ต, ต้องมีกฎกติกาพระสงฆ์จึงอยู่ด้วยกันได้นี่แหละอันนี้ก็คือวันมาฆบูชาถือว่าวันเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง วันนี้ก็เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธได้แสดงออกซึ่งความเคารพสักการะในวันสำคัญแต่ตามไม่จริงความสำคัญหรือไม่สำคัญความนี้ถ้าหากว่าผู้มีปัญญาผู้น่าเลึกถึงพระคุณก็ถือว่าเป็นวันสำคัญ แต่ถ้าไม่ไม่ระลึกถึงอะไรเลยอพวกเราอยู่ในปาน่ารงพงไพ่ไมนจะลึกอะไรเลยมันก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นโผล่ขึ้นมาแล้วก็พระอาทิตย์ตกลงไปพระพระอาทิตย์ตกลงไปมันก็มืดเยพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามันก็แสงสว่างพระจันทร์โผล่ขึ้นมามันก็สว่างสมกับพระจันทร์อตอนกลางวันกับพระอาทิตย์ขึ้นมามันก็สว่างไม่เห็นสําคัญที่ตรงไหนเนย อันนี้ก็คือความไม่ให้ความสำคัญมันก็ไม่สำคัญแต่ถ้าว่าให้ความสำคัญเราก็พูดขึ้นมาตราดขึ้นมาบอกกล่าวขึ้นมาวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ความสำคัญก็เกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสรู้อะไรประศุท่านประูตทกันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรนี่เราก็ได้ศึกษา พอศึกษาเราก็รู้คุณค่าว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเกิดได้ง่ายๆอไม่ใช่ว่าเมื่อตัดรู้ไม่ใช่ตัดรู้ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจึงแต่นับถือเรือมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตลอดไปเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อถึงวันนี้แล้วก็ให้ใส่ใจ ให้ท้อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่างที่พวกเราได้กล่าวแต่เมื่อกี้เราเป็นอามิชบูชาคือผู้เกียนดอกไม้อันนี้เราอามิชบูชาปฏิบัติบูบชาพวกเราไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบจากนั้นก็ถอดถอนกิเลสภายในใจของเราอันนี้เร า, าปฏิบัติบูบชา ควรจะได้ทั้งสองอย่างเนี่ยเลิศประเสริฐนะพวกเราเป็นชาวพุทธพุทธมาม ก, กะการที่จะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนที่จะนับถือครูบาอาจารย์ก็ต้องพวกเราก็ต้องได้รับการศึกษาจากครูบาอาจารย์แต่หลวงพ่อเองก็นึกวิตกกังวลจุดนี้อีกเหมือนกัน คือบางท่านบางคนที่มองที่เคยเห็นเห็นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครูบาอาจารย์ล่วงลับดับขันไปอย่ากองหลวงตาอย่างเนี้ยพูดง่ายเมื่อหลวงตาล่วงลับดับขันไปบรรดาลูกศิษย์ของหลวงตาก็มีมากครูบาอาจารย์แต่บางท่านบางคนพวกที่ถือ เออไม่ยอมลืมหูลืมตาพูดง่ายงายถือกูบาจานองคไหนก็ไปเหยียบ ก, กูบาจารย์องค์อื่นอี่ถือว่าถือสมมว่าถือหลวงพ่ออินเนี่ยนะพูดง่ายงายแล้วก็นูน่นนะยกหลงพ่ออินเป็นใหญ่จากนั่นก็ข่มกูบาจาย์องค์อื่นอ่าโดยมากมันมีมีให้เห็นอยู่อันนี้นก็คือความอะไรทิฏฐิมานะ อยู่ในจิตใจไม่ยอมฟังใครไปเพอคนอื่นโง่หมดเอี่ลาดแต่ตัวเองกับครูบาอาจารย์ของตนเองเท่านั้นเพราะนั้นลูกจิตของหลวงพ่ออินนะอย่าได้มีอย่างนั้นนะอย่าไปยกหลวงพ่ออินตัวเองจะไปข่มคนอื่นครูบาอาจารย์คน อ, อื่นไม่ได้นะอันนั้นเป็นบาปบาปกรรมหลวงพ่อไม่ส่งเสริมหลวงพ่ออินไม่ส่งเสริมที่จิ์อย่างนั้นต้องเคารพ เมื่อเราเคารพครูบาอาจารย์ของเราเราก็เคารพครูบาอาจารย์องค์อื่นเนี่ยที่เป็นพี่พี่น้ อ, อ, นนองๆผู้ยินอยู่ในศีลในธรรมท่านขาดท่านขาดฟินไนอะไรท่านไม่มีศีลอะไรมันตรงไหนก็บอกมาสิไม่ใช่ว่าตัวเองกับมัวเมียพูดไปเรื่อยแล้วก็ผมท่านไปเรื่อยฝนที่จุดตัวเองเก่งขนาดไหนมีความรู้ขนาดไหน มีศีลมีธรรมขนาดไหนมีคุณธรรมในจิตใจขนาดไหนพูดมาสิอันนั้นมันล้วนแล้วจะเป็นกิเลสทิฏฐิมานะอยู่ในจิตในใจเหยียบย่ำทาลายครูบาอาจารย์ใช่ไม่ได้อย่างนั้นสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าท่านบอกว่านี่นะอาจารย์มหาบัวท่านท่านฉลาดนะ เวลาเห็นพระมามาต่างถิดมานี่บางทีเขามานวดเส้นท่านกลางคืนท่านก็จะถามซอกแซกท่านมาจากไหนผมมาจากกูบาอาจารย์องค์นั้นและเป็นยังไงกูบาอาจารย์องค์นั้นท่านทํำยังไงพระองค์นี้ก็เซอ่อเซ่อบรรยายปนเอาไไปเห็นสิ่งไหนที่มันที่เป็นคุณงามความดีไม่บรรยายนะท่านปฏิบัติ ด, ดีอย่าปฏิบัติชอบอย่นั้นท่านแนะนํำสอน เรื่องสินเรื่องวินัยอย่างนี้ไม่พูดนะไปจับอกประเด็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเอามาบรรยายให้ท่านฟังมาบอกกล่าวให้ท่านฟังพอมาบอกกล่าวท่านบอกเนี่ยท่า น, <_ l aps> านอย่าทำอย่างนี้อีกนะครูบาอาจารย์ก็คือ <semanas> ครูบาอาจารย์ ian, ท่านเอามาเรื่องของครูบาอาจารย์มาพูดอย่างนี้นะ่ะผมก็ไม่ไว้ใจท่านเหมือนกันถ้าออกจากนี้ไปท่านก็ช้องเอาเรื่องของผมไปพูดอีก ผมไม่ใช่พร ะ, พระประธานถ้าคนณะพระประธานยังมีที่ตําหนิผมนะ่ยจะไม่ให้ท่านตำหนิดได้ยังไงท่านเอาแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาพูดให้ฟังท่านอย่าทําอย่างนี้นะท่านไม่ควรอยู่กับผมอีกต่างหากเนู่นน่ะหลวงตามหาบัวไม่ใช่ธรรมดานะญาติโยมก็เหมือนกันไปญาติโยมมากับพอมาแจะมาบรรยายให้ฟังท่านอาจารย์ตรงนั้นเป็นงี้โอเจียงเป็นนั้นเอ่ท่านบอกว่าเราเป็นใคร ทำไมจึงเอาเรื่องครูบาอาจารย์มาขึ้นบนเวทีแล้วมาชกกันบนเวทีองนั้นไม่ดียางนั้นองนี้ไม่ดียางนั้นเราดีขนาดไหนตรงไหนที่เราดีมาพูดให้เราฟังสิถ้าเป็นลักษณะนี้ต่อไปก็เอาเรื่องของเราไปพูดให้คนอื่นฟังอีกอย่าเข้ามาวัดของเรานะเราไม่ต้องการโยมอย่างนี้ความคิดอย่างนี้อย่าเข้ามาใกล้เราถ้ามาใกล้เราเป็นพิษเป็นภัยสาหรับเราอีกต่างหากเราไม่ได้มุ่งหวังอะไร กับสูเจ้านะอันนี้หลวงตามหาบัวท่านพูดฟังดูแล้วหลวงพ่อฟังแล้วถึงใจเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้เกรงใจใครนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อเองก็เคยเคยเจอเหมือนกันทั้งที่เป็นลูกศิษย์มหาเข้ามาหาผลให้สูตรก็เออพูดกันดี พอไปเห็นครูบาอาจารย์ของอื่นพอกลับเข้ามาพูดให้คนอื่นกนๆๆๆๆๆๆๆันแหนกันแหนกัแหนกแหนอ้าวมันทําไมเป็นอย่างนี้วะเออทาไมกันแหนกัแหนกับเราอะเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรนะเราไม่ได้ต้องการอะไรนะเออถ้าไม่มีอะไรจะกินเรากินใบไม้ก็ได้กินดินก็ได้พอถึงวันตายนั่นเองเราไม่ได้มุ่งหวังลาบยสศสรรเสริญอะไรจากสูเจ้านะอย่าเข้ามาเหยียบวัดเราอีกนะเออออกไปนะ อย่าเข้ามาอีกนะอย่าให้เราได้เห็นอีกนะอย่างนี้เราก็เคยมีเหมือนกันนะขนาดหลวงพ่ออินนอ่อนๆ น, นะนิสัยอ่อนๆ น, นิ่มๆ น, น, นะแต่พอข้าวแข็งเนี่ยมันไม่มันแข็งมันถึงใจกึกมันพูดได้เลยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้มีขึ้นมาเรื่อยๆหลวงพ่อก็มองมองดูเหมือนกันนะไม่ว่าพระไม่ว่าคราวาสญาติโยมอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็คงจะได้เฉือนออกเหมือนกัน พอเหตุใดพราะมันมันหนาหูขึ้นเรื่อยๆได้ยินแตกแตกต่างไปเรื่อยๆเมื่อได้ยินแตกแต ก, แกต่างแล้วนั่นละ่ะหลวงพ่อก็จะต้องจัดการถ้าเขาไม่เข้ามาอยากเข้ามาทําไมเราไม่ต้องการนะเราไม่ปรารถนานะเราต้องการอยู่ตามลําพังอยู่ตามอยูด่ด้วยความสงบเราไม่ต้องการลาบยศจันทร์เสิออะไรทั้งหมดเราบวชมาเพื่อชีวิตของเราเราก็ใช้กรรมของเรา กรรมคือการกระทํำของเราในอดีตเราเกิดมาอย่างนี้เราก็ต้องไปใช้กรรมของเราอย่างนี้อถ้าทุกคนอยู่ก็อยู่ด้วยความให้รู้จักว่ากรรมเขากรรมเราให้รู้จักเรื่องของเขาใหร้รู้เรื่องของเราแต่เรานี่เองอหลวงพ่อเองเคยพูดไหมที่เด้ดูถูกเกียดหยำ่ำครูบาอาจารย์ให้ลูกศิษย์ลูกหาฟัง เราไม่เคยพูดนะเราระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราไม่รู้จริงเห็นจริงเว้นเสียแต่เราเข้าไปดูแล้วฟังแล้วมีเรื่องอย่างนี้เราก็วิ จ, จารณ์ออกมาหน่อยหนึ่งเออทําไมท่านพูดอย่างนี้ได้ทํำไมน่าจะพูดอย่างนี้นะเจ้านั่นเองท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างน่าจะเป็นอย่างนี้แต่พูดเรื่องอย่างนี้เราก็มาได้วิ จ, จารณ์ให้แกเรื่องพระ สัพเพเหละฟังมีแต่วิจาร์ในขณะที่ว่าเป็นพระผู้ใหญออ่มีความรู้ความรอบครอบต่อกันนันะเพียงยับออกมาเพื่อให้รู้ได้ปะทำไมท่านเข้าอาจจะเข้าใจผิดเรานะในเรื่องนี้เปลี่ยงแค่นั้นนะครับ เ, เพราะครูบาอาจารย์แต่ละองค์นิสัยอุปนิสัยแปกแตกต่างกันบางทีก็ท่านก็พูด ล, ล่ารีล่าไรบ้างบางองค์ก็พูดคําเดียวก็จบเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนอยู่ด้วยกันเพราะท่านเราจะไปถือเรื่องของท่านมาเป็นอุปสรรคไม่ได้เรื่องของเรื่องของท่านก็คือเรื่องของท่านนิสัยของท่านอุปนิสัยของท่านเราจะเคารพหรือไม่เคารพเป็นเรื่องของเราเราไม่ควรจะเข้าไปใกล้และไปวิจารณ์ท่านเอามาพูดต่อสาธารณชน ถ้าพูดอย่างนั้นมันเสียหายอแอบเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วอย่าทํานะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะพระทุกองค์นะญาติโยมทุกคนนะอย่าไปเอาเรื่องครูบาอาจารย์วัดอื่นองค์อื่นมาวิจารณ์เป็นบาปกรรมหลวงพ่อระมัดระวังมากเรื่องห่วงญาติโยมก็เหมือนกันญาติโยมจะไปวัดนั่นจะไปวันนี้เอาไปไปทํททาบนะุญทําทานเนอะสุดแท้แต่ครูเจ้าจะไปแอบ ไม่ใช่ว่าจะให้มาถึงวัดเราไม่ให้ใไปที่ไหนเลยไม่ใช่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไปเพราะพระพุทธศาสนาแต่ความเคารพนับถือเริ่มใสให้สุเจ้าเลือกเอาเองก็แล้วกันอย่างเรานี่ก็เลือกเหมือนกันเลือกครูบาอาจารย์พอเราออกจากวัดหลวงปู่จามท่า น, นที่เป็นหลวงอาออกจากหลวงปู่ล่าไปอยู่วัดหลวงปู่จามจากนั้นเราก็เลือก เราถือว่าครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างมากในชีวิตของเราหรือตัวของเราตัวของเราเองเราถือว่าครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างมากเพราะอะไรเพราะถ้าว่าเราไม่ลงใจเราไม่ฟังฟังแล้วไม่เข้าใจในเรื่อง แ, แนะนำสัง่งสอนของท่านเราไม่เข้าใจในการบอกกล่าวของท่านเราอยู่ไปก็อยู่ไปอย่างนั้นเพราะฟังอยู่ด้วยความไม่เข้าใจ แต่เมื่อครูบาอาจารย์ไปหาท่านแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่เกือบเออเป็นส่วนมากกิริยามรรยาทของท่านการแนะนำสั่งสอนของท่านการอยู่การฉันของท่านการแบ่งปันของท่านอย่างเนี้ยเราดูพอดูเสร็จแล้วเอออันนี้ครูบาอาจารย์รงนี้หน้าเคารพหน้าเลื่อมใสหน้านับถือเราเอยอมเป็นสิทธ หรือว่ายอมศึกษาในธรรมคำสอนของท่านเนี่ยเราก็เดินทางขึ้นมาจากมุกดาหารขึ้นมาปราบหลวงปู่แว่นหลวงปู่ชิมอ่ะแต่เราประมาทท่านไ ม, ไม่ไม่ประมาทแต่ท่านคนดีตีอย่างหนึ่งแต่ท่านก็อุปนิสัยของท่านอีกอย่างหนึ่งเราก็ดูเราก็ดูดูมาเรื่อยๆจากนั้นก็มาถึงหลวงปูฟป่ฟันมาปู่ฟันแล้วดีนม้มยฟันหลวงปู่ฟันดี ดีมากอตัวของท่านแต่สิ่งแวดล้อมอที่ดูดูแล้วเออท่านยังอผู้ที่เกี่ยวข้องอมัน ย, ยังยังยังไม่เป็นที่ยอมรับของเราอย่างนั้นผมขึ้นมาอีกอลุงปูสมัยลุงปูสินทองลุงปูสุพัฒอ์ลุงปู่ขาวลุงปู่น้องแสงลุงปูอ่อนแต่ลุงปูอ่อนไม่ได้พบท่าน เพราะทันไปกรุงเทพท่านป่วยจากนั้นก็เข้าไปกราบเข้าไปหลวงตาพอไปเห็นหลวงตาก็ยังไม่คิดว่าจะอยู่กับวัดหลวงตาอีกนะคิดว่าจะออกไปทางหลวงปู่จันทร์เขมโกจังหวัดน้องคายออกจากนั้นก็ขึ้นไปแห่วัดพระงามวัดหลวงปูบ่บัวพาหลวงปู่เหลียนหลวงปู่เทศอจากนั้นก็ยังจะขึ้นไปทางจังหวัดเลยอีกหลวงปู่ชามาหลวงปู่คำดี หลวงปู่หลุยแถบจังหวัดเลยอีกให้เขาาจะดูครูบาอาจารย์ให้ครบซะก่อนจากนั้นเราจึงจะเลือกว่าเราจะอยู่กับเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เราได้ดูมาทั้งหมดแล้วนั้นนูน่นความคิดของเราสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเรื่องทิฏฐิแต่เราไม่เคยดูถูกครูบาอาจารย์แต่ละองค์มีดีอันหนึง่งก็ได้อันหนึง่ง อแนะนําความรู้อันหนึ่งอย่างหลวงปู่จามท่านพูดงองท่านไม่ได้แต่แนวความคิดของท่านนี่บางคํำนี่ลึกซึ้งมากอที่ท่านสอนพอเราเป็นหลานของท่านตั ว, วตุเกิดมาชาตินี้เป็นลูกชาวนานะอย่ามักใหญ่ไฟสูงการทํำคุณงามความดีนั่นไม่ใช่ว่าเราจะ ส, ะสะแสวงหาเงินทองเงินคําทรัพย์สมบัติคนอื่นเขามาก่อสร้าง มาทำอย่างอื่นการทำคุณงามความดีนั้นมีมากมายหลายอย่างรักษาศินก็ใช่นั่งภาวนาก็ใช่ไม่จำเป็นจะต้องหาเรื่องทรัพสมบัติภายนอกเพราะนั้นในเมื่อเกิดมาพบใดชาติใดได้เกิดเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินเกิดมาเป็นเศรษฐีลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดชาตินั้นแหละจะค่อยทำทำอย่างเต็มที่พอเรามาเกิดมารวยแล้ว แต่เกิดมาชาตินี้เราเกิดมาเพื่อบําเพ็ญรักษาศีลภาวนาปฏิบัติเราจะไปสนใจในเรื่องปัจจัยภายนอกอันนั้นมันทำให้เป็นบาปเปล่าๆ้ามันไม่ได้ทำให้เป็นโมลทินนะท่านสอนเพราะการสร้างคุณงามความดีมีมากหลายอย่างนั่งสมาธิรักษาศีล น, นั่งสมาธิภาวนา ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนะั้นแต่ถ้ า, าว่าเกิดมาเป็นคนจนวิ่งกระเซือกกระสนหาทรัพย์สมบัติทั้งแผ่ท้งขอทั้งเลี่ยงท้งไล่กับคู่คนามาใช้มาจ่ายมาอยู่มากินมาอยากจะทำบุญแต่พอไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมาหาเศรษฐีร่ำรวยขึ้มานู่นไปเที่ยวสัมมเลเทเมา ทั้งสุราทั้งนาเร่ทั้งการพนันอบ า, ายมวกทุกอย่างไม่ได้สนใจเรื่องทําบุญทําทานนั่นแหละวิญญาณนั้นวิญญาณโง่ทำไมหลวงปู่จามท่านบอกวิญญาณโง่วิญญาณไม่ฉลาด เ, าเกิดมาพบใดชาติใดมันโง่มาเมื่อเมื่อมีโอกาสตัวเองก็ไม่ทําในเมื่อดอยโอกาสแล้วก็กเกษรกเกษสนอยากจะทําจุดที่ตนเด่นไม่มีนี่แหละหลวงปู่จามท่าน ให้แนวความคิดหลวงพ่อเองก็มา น, นํามาพิจารณาไต่ตรองเออใช่หลวงอานี่พูดถูกค่ ะ, ะควรจะเป็นอย่างนั้นเราควรจะรู้จักประมาณตนอย่าไปทำอะไรให้ฟุง้งเฟ้อฟุง่งเฟยลืมตัวลืมตนไม่ดีเราต้องอยู่ให้รู้จักประมาณตนนี่แหละอันนี้แหละคืออยู่กับหลวงปู่จามท่านก็สอนก็มีประโยชน์ อยู่กัหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านสอนติตปาถนะอันนั้นถอนทุกอย่างหลวงปู่ล่อความรอบขอบความเข้าไปหาครูบาอาจารย์ทํำยังไงทําใจยังไงทําจัวยังไงกิริยามารยาทยังไงอ่ อ, อนฮ้อมถ่อมตนยังไงไป เ, เข้าไปหาเวลานั่งเวลาถอยหลังเวลากราบครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าท่านสอนหมดอันนั้นใครก็ปู่สอนหลานจริงๆ อันนั้นยอมรับเลยหลวงปู่ล่าก่อนที่จะเข้ามากราบเข้ามาอยู่กับหลวงตานําแนวความคิดของหลวงปู่ล่ามาปฏิบัติท่านดูยังไงท่านมองยังไงท่านเห็นท่านแล้วเป็นยังไงเราจะมองดูแล้วใช้แนวความคิดของหลวงปู่ล่าเกือบทั้งหมดเข้ามาเข้ามาใช้เนี่ยอันนี้ก็คือเราอยู่กับหลวงปู่ฝันท่านก็สอนอกีก หลวงปู่ซิ้งทองหูวปู่สมัยแต่หลวงปู่สุพัฒนก็มาได้ละเพราะท่านเป็นจังพระยังน้อยหนุ่มอยู่เขามาหลวงปูข่ขาวเนี่ยหลวงปูข่ขาวนี่ยเราคิดว่าดูท่านใจดีใจเย็นธรรมดาฮพอวันหนึ่งท่านแสดงความเด็ดเดี่ยวของท่านโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาหลวงพ่อยังจําไม่ลืมเพื่อท่านเดียวนี้ วันนั้นก็คือพระประมาณสักแปดเก้าองค์นั่งฉันอยู่ที่ศาลาศาลาทุกวันเนี่งศาลาที่เราเข้าไปอยู่ทางซ้ายมือเลยหลวงปู่ท่านก็นั่งเป็นหัวหน้าท่านนั่งฉันแต่เนี้เขาก็มีเขาเอาน้ําปานะมาตอนเช้าน้ําผ ล, ลไม้เราก็ไม่รู้ทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มงั้นนะน้ํานั้นอ่ะจากนั้นพระองค์ที่สองที่สาม ท่านก็ได้เปิดกระป๋องออกมาท่านก็ดื่มที่แรกก็คือน้ำผลไม้มันก็ตอนน้ำหวานไงน้ำงะ้ะน้ำลำไยใครใครก็ตอ้องฉันน้ำมันด้วยแต่น้ำตัวนั้นมันน้ำผิดปกติจริงๆมันทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มเปลิ้าออนาเอาั้นก็เทเข้ามาแล้วก็เทใส่แก้วตัวเองก็ใส่เกลืเกลือโค้ดทำไมเค็มขนาดเปรี้ยวขนาดนี้วะ ก็แล้วเอายื่นแก้วองคนั้นมาสิองนั้นก็ยื่นแก้วให้โอ้แก้วนั้นองหลงเนี่นก็เทเทใส่แก้วเอาดื่มเฮ้ยองนั้นก็มาได้ตั้งทา่าเหมือนกันพราะไม่รู้ใช่ไหมพอดื่มเกืบอบเข้าไปนะคอนั้นกเกือบบวนเทงว่ามันมันทั้งเค็มทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวว่างั้น ไ, ได้องนี้นที่ไปล่อไปล่อองนั้นแล้ เ, เขาดื่มได้ตัวเองก็หัวเราะเลยสิเออหัวเราะขึ้นมา พอหัวเราะขึ้นมาองนั้นก็อดไม่ได้องค์ที่ดื่มน้ําก็หัวเราะอีกเหมือนกันไอ้หมูที่อยู่ใกล้ก็มองตาเนาะหมอนกะ็ก ะ, กะุ้มก็ะจิบเหมือนกันไอ้หลวงปู่ขาวเหลือบตาดูครั้งที่หนึ่งองนั้นก็ยังหัวเราะมันยังไม่จบมันยังไม่จบคอสเหมือนกันการหัวเราะเหลือบไปดูครั้งที่สองก็ยังหัวเราะเหลือบครั้งที่สามอายุของท่านเกือบแปดสิบแล้วเนยหลวงปู่ขาวเน่ะ ท่านก็นยกไล่ขึ้นทั้งสองข้างเลยเเนี้งฮมันทานอาหารมันลืมทานอาหารลืมตัวเลยเนี่ยมันไม่มีปฏิสังขาโยนิโสเลยเนี่ยมันไปนรกชัดๆนะเนี่ยพระเนี่ยมันทำไมกินแบบลืมตัวอย่างนี้เราไม่เคยลืมตัวนะการอยู่การฉันฉันของไข่เป็นของท่านใช่ไหมหรือเป็นของไข่ เป็นของญาติโยมเข้ามาเขาทําทําบุญเลยมาด้วยความเคารพเชิดชูบูชาเขาอยากจะได้บุญเขาจะมาทําบุญอันนี้มันกินแบบสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮากินแบบนี้เหรอกิดแบบลืมตัวนี่เหรอเนี่หละนรกฮะมันจะไปนรกเล้วเนี่ยโอ้หลวงปู่พูดเท่านั้นแหละเงียบเก็บ ความสรุกความเฮฮาเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะโอ้โหเราเห็นหลวงพ่อเห็นหลวงปู่ขาวขาวนั่นละ่ะโอ้โ ห, หน่ากลัวแดูดูท่านหนิมหน่มนะแไม่ค่อยพูดอะไรพอเรื่องหลักธรรมวินัยเรื่องกฎเกณฑ์แล้วหลวงปู่ไม่อ่อนแอไม่อ่อนคอให้แก่ใครทั้งหมดเลยขึงขังเป็นคนหนึ่งขึ้นมาเลยตัวพร้อมๆนะ แต่แต่ตกะตกอนเลยตะกอนจะเดินอกจาราเนี่ยนั่งรถไปแหละหลังข้อมขอมเนี่ยตัวพ้อมๆเนี่พอวันนั้นแสดงอากับกิริยาน่ยเหมือนกับราศสีแก่แล้วงั้นแตอหลวงปู่แสดงออกมาเห็นแล้โห้มิใช่ธรรมดาเนีน่ยหลวงพ่อยังจําไม่ลืมไปทั้งทุกวันนี้จากนั้นมาที่เรื่องกี่ปีแล้วสี่สิบกวปีแหละหลวงพ่อยังจําไม่ลืมเห็นไหมนี่แหละ คือความเด็ดเดี่ยวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากท่านก็มา ห, หลวงปู่น้องแซงหลวงปู่น้องแซงก็เข้าประกราบท่านเท่าท่านเคยไปอยู่ทางแถวห้วยทรายมุกละหานคุณย่าคุณอารู้จักท่านดีหลวงปู่น้องแซงท่านก็บอกว่ามาจากไหนเรามาจากนู่นนะบ้านห้วยทรายเป็นหลานผู้ใหญ่จุม่มท่านก็รู้เลยอ๋พอพให้สกรก็ได้อยู่กับท่านช่วระยะหนึ่งก็กราบลาท่าน บอกว่าจะไปกราบครูบาอาจารย์ดูหลายๆองค์ท่านบอกว่าจะไปดูที่อื่นนะ้าให้ดูใจนั่นอ่ะเอ่อจะไปดูทําไมที่อื่นให้ดูใจของตนเองเออไปดูที่อื่นไม่มีที่สิ้นจุดด็อกไปอูอะไรก็ยิ่งกว้างไปเรื่อยถ้าดูใจตัวเองนั้นมันจะมีจบมันจะมีจบมีสิ้นมันชําระที่ใจเอาชําระเอาชนะใจตัวเองนั่นละ่ะตรงนั้นน่ะทำไมไม่ดู จะไปดูทำไมที่อื่นเราก็จําไม่ลืมแต่คราวนั้นอีกเหมือนกันเอหลวงปู่น้องแสงท่านพูดเป็นธรรมให้ดูใจของตนเองแต่ละวันแต่ละเวลาอย่าไปดูที่อื่นถ้าดูที่อื่นนั้นไม่มีที่สิ้นสุดดูคนนั้นเป็นอย่างั้นดูคนนี้เป็นอย่างนี้เอดูเรื่องราวยิ่งกว้างขวางไปเรื่อยดูคนนถ้าดูใจของตนเองมันนึกคิดเรื่องอะไรมันเป็นความดีหรือความชั่วในใจของเราขณะนี้เดี๋ยวนี้ดูใจของตนเอง ถ้าดูใจของตนเองนั่นแหละมันจะจบลงที่นั่นจากนั้นเราก็กราบปลาท่านก็ไปอยู่ที่น้องบัวน้องบัวบานแต่หลวงปู่อ่อนไม่อยู่เห็นแต่หลวงปู่ลีท่านก็พาท่านก็อยากจะเข้าไปกราบองค์หลวงตาก็เลยขอติดตามท่านเข้าไปกับหลวงปู่ลีท่านน่ะจากนั้นเขาเราก็เข้าบ้านตาก ลราบันตาก็จะไม่คิดว่าจะอยู่นะเห็นไมแคว่าจะออกอีกสักวันหนึ่งพอเข้าไปเออปฏิปทาขององ์หลวงตาเนี่หน้าเคารพหน้านับถือหน้าเลื่อมใสท่านในดุจริงๆ เ, ออเราไม่เคยกลัวองค์ไหนที่จะกลัวยิ่งกว่าองหลวงตาออที่ผ่านๆมาพอเห็นหลรงตาโ อ, อ้หท่านเอาจิงเอาจังจริง ๆ, ๆดุ แต่ว่าดกด้วยเหตุผลท่านพูดออกมาแต่ละขับล้วนแล้วจะเป็นเหตุผลท่านไม่ให้ทำเพราะอะไรท่านให้ทำเพราะอะไรมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นเสร็จการอยู่การฉันเป็นกฎเป็นระเบียบเขนและอือ้อเนี่ยควรจะยึดแนวแถวนี้เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างต่อไปภายภาคหน้า เ, นเราที่ผ่านผ่านมาครูบาอาจารย์หลายองค์เราก็ไม่ได้ปลามาท่านเรารักเคารพทุกองค์ แต่ว่าองค์หลวงตาเนี่ยดูแนวทางแล้วถึงใจของเราถึงใจเราเราควรจะอยู่ที่นี่ควรจะศึกษาที่นี่นั่นแหละจากนั้นก็หยุดหยุดการคิดจะไปข้างหน้าอยู่กับหลวงตาตั้งแต่ปี2512ถึง2525 25, เป็นเวลา14ปีจำพรรษาอยู่ที่เดียวกันไม่เคยไปที่ไหน ไม่ได้ขยับขยื่นไปที่ไหนจำพรรษาอยู่ที่นั่นแต่หน้าแล้งเราอยู่ได้หกเจ็ดปีท่านก็ให้ไปเที่ยวทรุโดงท่านบอกเออทำอินก่อนที่เราจะได้กำลังเราอยู่กับหลวงปู่มั่นเราออกไปภาวนาข้างนอกนะอไปภาวนาข้างนอกเข้าๆออกๆไปฝึกแล้วก็เข้าออกเราจึงมีกำลังเพราะนั้นท่านจะออกไป ภาวนาข้างนอกก็ได้นะแต่ว่าก่อนที่จะออกนะดูนะพระปฏิโมกเพราะหลวงพ่อเองเป็นพระสวดปฏิโมกประจำจำหลายปีอย่างนั้นอยู่ที่นั่นก่อนจะออกไปท่านก็เลยให้หาองค์อื่นแทนเพราะว่าองค์อื่นก็ไม่กล้าไม่กล้าขึ้นถ้าสวดองค์ไหนก็เ่ะนันต้องสวดองค์นั้น บาณฑาไม่ใช่ขึ้นได้ง่ายๆปฏิโมกพราะขึ้นไปไม่เป็นท่ทาเป็นทีไล่ลงจากธรรมมาศอีกต่างหาแต่ก่อนหลวงพ่อจะขึ้นไปนะโอ้ตุปักตุเป๋พอแหลงเหมือนกันกว่าที่จะยืนจัดอยู่ได้พอหลวงตาเนี่ยจิงจังจริงๆอท่านไม่ได้เห็นแก่ใครทั้งหมดทับผิดไล่ลงธรรทันทีเลยะนี่แหละอันนี้เราก็ฝึกหัดหมู่พอที่จะแทนตัวเองได้เราก็ออกทุดงในหน้าแลงปีนั้น แต่พระองค์ที่สวดปฏิโมกกลับไปแล้วก็บอกว่าเออเสียศูนย์อีกเหมือนกันเอพอขึ้นมาโดนท่านไล่ลงธรรมาทิแลกวก็ามาหยองมังแยงได้เขา้าว่าตัวเองนั่นแ่ะพอขึ้นไปเจอของจริงเข้าที่นี่แหละมันจริงไม่ได้เด็ดแต่นนอหงอเลยไปโะธิสุ้ธิ์หลวงปูป่บุญมีได้ขึ้นแทนวันนั้นมวยเก่าได้ขึ้นแทนนี่นนแหละอันนั้นท่านเลยหาองค์อื่นเข้ามาแทนอีก นี่แหละที่จะหาสวรพระปฏิโมกข์นึ่ที่บ้านตาดสมัยนะั้นไม่ใช่ธรรมดานี่แหละอันนี้พูดให้ฟังเหล่านี้เพื่ออะไรก็เพื่อการศึกษาเป็นแนวทางแห่งการศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าไปเอาเรื่องของครูบาอาจารย์องค์หนึ่งมาขึ้นบนเวทีแล้วก็มาแฉมันอีดียางงั้นใหม่ดียางนีน้ตัวเองดีอย่างไรตัวเองมันมีดีอะไรดีกว่าครูบาอาจารย์ใช่ไหม ถ้าวันดีกว่าครูบาอาจารย์ก็เอาชี้ไปเป็นอาจารย์ให้ท่านสิไปแนะนําสั่งสอนท่านสิแต่นี้ตัวเองเนี่ย เ, เลวชน ะ, ะเลวเสินห้าก็ไม่มีเป็นครวาตมีสินห้าไหมมีสินแปดไหมนั่งภาวนาจิตใจสงบทุกครั้งทุกคราวใช่ไหมมีอะไรดีมีดีอะไรเถียงกันอยู่ในครอบในครัวลูกหลานจะหาความเคารพก็ยังไม่ได้เอไปพูดกับภยัยทะเลาะ ขนาดอยู่กับหมาก็ยังทะเลาะ ก, กับหมาไม่ต้องพูดอยู่กับลูกกับหลานไม่ไม่ว่าอยู่กับคนอยู่กับหมาก็ยังไม่เข้าใจกับหมาอีกละมีดีที่ตรงไหนดูสิดูตัวเองสิถ้าคนดีแล้วเขาจะไม่พูดอย่างนั้นท่านดีแล้วอยู่ที่ไหนตีหมดเราต้องมองดูธรรมชาติของสิ่งตั้งงหลายทั้งปวงเป็นอย่างไร ครูบาอาจารย์แต่ละองค์เป็นอย่างไรหมู่พวกเพื่อนเป็นอย่างไรสหธรรมิกทั้งหลายเป็นอย่างไรบริษัทบริวารพุทธบริษัทสี่แต่ละหมู่แต่ละเหล่าเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราต้องแยกแยะถ้าคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ยังว่าซื่อบื้อเอาแต่ตัวเองเข้าไปว่าขวางโลกขวางครูบาอาจารย์ขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางไปหมด เพรตัวเองไม่มองตันเองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะให้พวกเราท่านทั้งหลายนะหลวงพ่อไม่แน ะ, แ น, ะนำนะ อ, อจะเอาเรื่องของครูบาอาจารย์มาวิเคราะห์มาวิจารณ์มาดูถูกเหยียดหยามเว้นเสียแต่เออเชิดชูบูชาท่านอันนั้นป็อีกส่วนหนึ่งควรจะเชิดชูบูชาแต่สิ่งจริงไหนที่เราไม่รู้จริงอย่าไปเอาท่านมา อ, อดูถูกมาปูย่ําปูยี มาวิจารณ์กันเล่นมันเป็นบาปพอเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทั้งหลายทั้งปวงนะสิ่งเหล่านี้หลวงพวกเราคงไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่มันวันนี้หลวงพ่อพูดให้พวกเราทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นเพื่อการศึกษาแล้วก็ให้มองตนเองอย่าไปดูถูกอย่าไปมองครูบาอาจารย์เป็นอย่างอื่นเพราะครูบาอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์ อุปนิสัยใจพอของท่านจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แต่ขนาดใจของเราก็ยังไม่ถูกใจเร า, าจะให้คนอื่นถูกใจเราได้ยังไงครูบาอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนเรื่องของท่านถ้าเราฟังไม่ได้เราไม่นับถือเลื่อบใสแล้วก็ปิดใจของเราซะกระจบให้ท่านสั่งสอนคนอื่นไปไปว่าอุปนิสัยของเราเข้ากับท่านไม่ได้ เรายอมรับไม่ได pe for okay. ้เพียงในใจของเราน่าจะจบเพียงแค่นั้นขนาดพระอานนท์ทั้งที่ท่านได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าบวชกับพระพุทธเจ้าทั้งที่ท่านจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จไม่ใช่ได้ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระมันตรีบุตรพระธรรมพระมันตรีบุตร อบรมเทศให้ท่านฟังท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบันเพราะได้ฟังธรรมพระมันตณีฮะอันนี้ในพระไตรปิฎกนะอาจหลวงพอ่ออาจจะจําผิดก็ได้องเนี้ที่ว่าน่าคิดว่าปแน่พระมันตณีบุตรที่เป็นอาจารย์ของพระอานุนที่ท่านได้ฟังธรรมและได้สําเร็จพระโสดาบันจากนั้นท่านก็ได้ศึกษาธรรมะทา่ากงภาวนาของท่านเรื่อยๆจนวาระสุดท้าย วันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานในวันนี้นะพระอานนุน เ, เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็สั่งเสียปฏิบัติอย่างไรพระอนุ์ก็ถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อะิรีระของพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลยอานุน์ิรีระของเราเป็นหน้าที่ของมันละกษัตริย์ เขาจะจัดการกันเองท่านพวกท่านทั้งหลายมีเถเผากิเลสภายในใจเท่านั้นไม่ต้องยุ่งพระอานุนก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจริงอยู่พระเจ้าค่ะแต่เมื่อบรรลักษกษัตริย์เขาถามพวกข้าพระองค์ถามข้าพระองค์เลยจะให้จัดอย่างไรต่อสิรีระของพระพุทธเจ้าแล้วให้ข้าพระองค์ตอบเขาอย่างไรพระเจ้าค่ะพระพุทค์เออถ้าเป็นอย่างนั้นก็ตอบเขาบอกว่าให้ปฏิบัติ สรีระของเราเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิในพระเจ้าจักรพรรดิในยุคนั้นก็ไม่มีอีกพระอ น, นุก็ไม่ เ, เคยเห็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะเจ้าก็จักรพรรดิก็ได้ได้ยินแต่อยู่ในตำรับตำราปฏิบัติอย่างไรหนอพระเจ้าค่ะเกี่ยวกับสิริระของพระเจ้าจักรพรรดิพระพุทธองค์บอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อท่านสวรรคตแล้วก็ชำระ พวรากายของพระเจ้าจักระพัดให้สะอาดจากนั้นก็เอาสำลีชุบด้วยน้ําหอมที่กลั่นละเอียดกลั่นด้วยเครื่องกั่นถึงหนึ่งถึงร้อยครั้งนำน้ำําหอมมากลั่นถึงร้อยครั้งพอนั้นก็เอาสำลีชบุบพอชุบเสร็จแล้วก็ พ, พันพันพวกรากายของพระเจ้าจักระพัดเมื่อพันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอาผ้าขาวพันรอบหนึ่งจากนั้นก็เอาจำรีพัดอีกรอบที่สองเอาผ้าขาวพันอีกทำอย่างนี้ถึงห้าร้อยครั้งห้าร้อยชั้นจำรีพันห้าร้อยห้าร้อยครั้งผ้าขาวพันห้าร้อยชั้นจากนั้นเอาลงในรางเหล็กแล้วก็ปิดครอบแล้วก็ยกขึ้นบนเชิงตะกอน ที่ประกอบด้วยไม้หอมหนานาชนิดแล้วก็ถวายพระเพลิงนี่แหละคือทำกับพระเจ้าจักรพรรดินี่แหละอันนี้จุดนี่แหละที่พระอาอนนนเมื่อได้ยินฟังพระพุทธองค์จบแล้วกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่บอกโอ้เราเนี่ยได้สำเร็จเพียงพระโสดาบันบัตรนี้พี่เลี้ยงออให้ข้าวาเป็นผู้พาเดิน แต่บัดนี้พี่เลี้ยงได้จากไปเสียแล้วเราจะเดินอย่างไรมรรคผลนิพพานเราจะได้สําเร็จมรรคผลนิพพานได้อย่างไรองค์อื่นท่านเขาได้สาเร็จหมดแล้วบัดนี้เราอายุแปดสิบปีแล้วเราบําเพ็ญมาออนานติดตามพระพุทธเจ้าติดตามพระพองค์เหมือนกับเงาตามองค์เหมือนเราไปที่ไหนอยู่ในกลางแจ้งเงาติดตามเราตลอด อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นพระอานน์พร้อมกันแต่บัดนี้พระพองค์ได้จากไปเสียแล้วเราก็ยังไม่ได้สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์เรายังเป็นพระปุถุชนอยู่เพียงได้พระโสดาบันเท่านั้นโอ้เราจะทำยังไงต่อไปภายภาคหน้านี่นะพระอานุ์เกิดความสลดสังเวชใจอย่างใหญ่หลวงจากนั้นก็ได้ปลีกตัวออกจากที่เฝ้าของพระพุทธเจา้า ไปเกาะบันไดเกาะลูกกงองน้ําตาไหลาภากอาบแก้มอายุแปดสิบปีผ้าจีวรสันเทิมไปทั้งองค์ อ, อนี่ท่านพูดจากนั้นพระองค์ก็เห็นว่าเอา้าวอนนลหายไปไหนแต่ตะกรอนก็นั่งอยู่ข้างๆเดี๋ยวนี้หายไปไหนพระสงฆ์ก็บอกว่าพระอนนลได้ปีกตัวไปร้องไห้อยู่ที่อสันทักขารลาวลูกกงพระเจ้าขา่า พระองค์เรียกอนุนเข้ามาไปบอกอานุ์เข้ามาเลยพระสงฆ์ก็ไปอกราบปราทนาพระอานนุ์เข้ามาพอถึงพระองค์ก็บอกว่าอานนุ์เธอปฏิบัติเราตถาคตนั้นปฏิบัติด้วยความจงรักภักดีเราไม่ได้ตําหนิแม้แต่หน่อยเดียวว่าการปฏิบัติหรือว่าการดูแลของอา น, น, นุ์นั้นมีที่ตาําหนิเธอปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธอุปถาก พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆคือพระกกคุชันโทโกโนัมโนกัจโปก็ปฏิบัติอย่างอานนทปฏิบัตินี่แหละไม่มีอะไรขาดตกมาปฏิภาอานา์ปฏิบัติเราก็เช่นเดียวกันกับพระพุทธอุปถากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเพราะนั้นเราไม่ได้ตําหนิท่านอานนเอาเธอะจากนี้ไปนะอานน์จากนี้ไปสามเดือนอานน์จะได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต พระพุทธองค์พยากรณ์ไว้เลยใช่ไหยนี่ละอันนี้กลคือพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกของพระองค์ขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพวกเราต้องสำรวมระวังครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ เป็นอย่างไรนี่แหละพระอนุนท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ธรรมที่ท่านได้สําเร็จนั้นท่านก็ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแต่วันที่ได้สําเร็จพระสุดาบัตินั้นท่านได้สําเร็จเพราะพระมัณฑนีบุตรเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกเทศให้ฟังท่านก็รู้จริงเห็นจริงในธรรมในครั้งนั้นแต่มาคราวนี้พระองค์ได้พยากรณ์ ว่าอีกสามเดือนจะได้สำเร็จเป็นพระรหันต์แต่พอถึงสามเดือนจริงแล้พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระมาหาคัจปะก็ประกาศว่าเราจะทำสังคายนาไหมพระสงฆ์ก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะทำสังคายนารวบรวมหลักพระธรรมวินยัยให้เป็นหมวดหมู่ทั้งวินยัยหรือพระธรรมหรือพระประมัตธรรมจะให้เป็นหมู่เป็นหมวด ถ้ามาอย่างนั้นไม่รู้จะจับกลุ่มไหนหมวดไหนบางทีก็เอาพระประมาติตรีพระสูตรเอาพระสูตรไปใส่พวินัย เ, เพราะนั้นจัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อจะได้แยกแยะออก อ, อันนี้ก็คือพระมหาคตปะเรียกประชุมหมู่พวกเพื่อนแล้วจะทำสังฆายณาเราจะทำวันไหน ก็พระมหากัตปะท่านก็บอกเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานุ์ว่าอีกสามเดือนพระอานุ์จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันจากนี้ไปวันที่เท่าไหร่เนี่ยเดือนไหนนับดูสิก็นับเออเอาวันนั้นเป็นวันที่พระอานุ์จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันประชุมวันนั้นคือขาดพระอานุ์ไม่ได้การสังขายนาเพราะพระอานุ์เป็นผู้ เป็นครังพระธรรมเป็นครังพระสูตรเป็นครังพระวินัยเป็นครังพระประมัตรธรรมทุกอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไรที่ไหนพระนรเป็นผู้รับ ร, ร, บรู้รับทราบทั้งหมดจะปราัดจะจากพระอนริไม่ได้ในทำการทําสังคารนาครั้งนี้ผัวนันทพระมหากัส ป, ปะท่านบอกเออเอาอีกสามเดือนจากนี้ไปพระนริได้สําเร็จเป็นพระหรหัน์ แล้วค่อยทำขังสังคายจนาแต่ถ้าหากว่าพระนนยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอระหรันเมืเมอเม่อพระพุทธเจ้าปริิทิพานแล้วก็จัดการประชุมเลยก็จะเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปภายภาคหนา้าพระอระหันต์ผู้แตกฉานในปฏิในปฏิสัมพิทายาน499รูปยังเหลือพระอรนุลองค์เดียวที่ยังเป็นพระโสดาบันิมะมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ สืบต่อไปภายภาคนาที่พระมหากัตปะท่านบอกท่านว่าเอาพระอราหันต์ทั้งหมดห้าร้อยรูปประชุมกันเพื่อทําสังฆายนาที่ถ้าสัตตบัตนคูหานี่แหละวันนั้นกุพะนุลท่านก็ได้ภาวนาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอราหันต์จริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สงพยากร์เอาไว้เนี่ยนี่แหละความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราจงรู้ เราจงพวกเราต้องวางตัวให้ถูกออย่าไปตําหนิครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้อแล้วก็ยกยอปอปั้นครูบาอาจารย์ของตนเองเยยกยอปอปั้นหลวงพ่ออินเอแล้วไปเหยียบครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้อย่าทํานะออย่าทําอย่างนั้นนะหลวงพ่อมาเห็นด้วยนะแหลวงพ่อไม่ให้ทํานะถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อลราไม่ให้ทําอย่างนั้น ถึงจะเลื่อมใสไม่เลื่อมใสกค่อยู่ในใจอยู่เงียบในใจเพราะมันเป็นเรื่องของแต่ละองค์แต่ละท่านเว้นเสียแต่ท่านทําไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวิ น, นัยเป็นอาบัติสังฆาปาราชิกอย่างนั้นเอ อ, อยังค่อยว่ากันแต่ถ้าท่านไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าไม่เป็นที่พอใจของเราคว้างหูขวางตาของเราตาของเราเป็นไรตาพระหรหันใช่ไหมตาของเราเป็นตาบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมหมดจดจากกิเลสแล้วใช่ไหม ตาตัวเองก็เป็นตากิเลสมันก็ขวางไปเรื่อยเลยสิหูตัวเองก็หูกิเลสมันก็ขวางไปเรื่อยเลยสิเออเพราะนั้นอยาให้มันอยาให้มันเป็นอย่างนั้นนะสรุปแล้วอยากคืออยาให้เป็นให้อยู่ในหลักพรธรรมวินยัยให้เคารพนับถือเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยให้มองครูบาอาจารย์พระสงฆ์ ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอเราก็รู้อยู่แล้วแต่บางเรื่องบางราวทำพูดอกับกิริยาของท่านเราก็ยวนเพราะว่าในหลักพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระอรหันทั้งหลายไม่สามารถที่จะละอุปนิสัยอุปนิสัยของตัวเองได้นอกจากพระพุทธเจ้าละทั้งวาสนาและอุปนิสัยมีพระพุทธเจ้าองค์เดียว แต่นอกจากนั้นแล้วเคยพูดอย่างไงก็พูดอย่างนั้นแต่ใจของท่านไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านพูดแต่โดยมากคนข้างนอกจะรับไม่ได้ในอากับกิริยาของท่านพูดนั้นนี่แหละอย่างพัพนกยกตัวอย่างอย่างภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรเป็นพระอาหารหันต์เป็นอ克拉สาวกของพระพุทธเจ้าท่านเดินไปที่ไหนถ้าเห็นคลองกระโดดข้ามคลองถ้าเห็นต่อไม้กิ่งไม้ขอนไม้กระโดดขึ้นไป เอพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นนะเออทําไมพระอาฆพระสาวกถึงขนาดนี้ทําไมไม่มีการสํารวมระวังการที่จะไปเหมือนกับคนไม่มีสติอย่างนั้นอะ่ะทําไมทํามากับจิริยาอย่างนี้ไปพูดกราบทูลพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าบอกว่าสารีบุตรติดพพติดชาต์ตะโกนเคยเป็นลิงเอเป็นลิงติดพพติดชาติมาหลายภพหลายชาติ เพราะนั้นนิสัยของเขาเนี่มันติดพบติดชาติมามันละไม่ได้มันแก้ไม่ได้ผู้ที่จะละได้จริงๆคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนพระอราหันต์นั้นท่านละนิสัยของท่านไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องบอกบ่งบ่งบอกสําหรับพวกเราใ ห, ให้ให้ได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นอย่างหลวงปู่ตื้อท่านก็ด่าคนบักนั้นอีนี่พูดหยาบหยาบคร า, ายคฮะ ท่านเราไม่เริ่มใสท่านถือเรากลวท่านแล้วก็ถอยถอยออกอ่างห่างก็ได้แต่เราจะไปดูถูกเหกียดตยามท่านไม่ได้นะเพราะท่านเ อ, อจิตใจของท่านสูงนะถ้าไม่มีอะไรนะแต่ท่านบุกบอกเ อ, อแต่ผลที่สุดเมื่อท่านล่วงรับไปตลงปู่ตื่นเห็นไหมกระดูกของท่านได้ ก, กลายเป็นพระธาตุเป็นพระรหรัเอ อ, อย่างพระอะไรในครั้งพุทธกาลที่ไปอยู่ในถ้ำ องนั้นก็พูดแบบคนถามมาถ้าก็พูดอีกแบบหนึ่งผลที่สุดก็เนท่านทันท้งที่ท่านเป็นพระหันนะคนก็บพูดแบบดูถูกท่านอันนั้นก็มีเรื่องอีกเหมือนกันเพราะเหตุลายเพราะว่าท่านความพูดของท่านอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าใจของท่านอีกอย่างหนึ่ง สรุปแ้วก็คือนิสัยมันละไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราเป็นชาวพุทธพุทธมาม ก, กะลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินเนี่ยที่มาศึกษากับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อแนะนําเล่เหลี่ยมเออความความคิด แนวความคิดต่างๆเรื่องแนวความคิดเรื่องต่างๆเพื่อให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาและพวกเราจะได้ประมวลเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับตนเองเนี่อย่าไปทำคิดอะไรแบบไม่คิดไม่อ่านไม่รอบคอบนะไม่ได้นะเป็นบาปเป็นกรรมสำหรับตนเองการที่จะพูดอะไรออกไปการที่จะทำอะไรออกไปต้องคิดดูให้รอบครอบนี่แหละคือ หลักธรรมคําสอนและก็พร้อมกันวันนี้เป็นวันพระวิสาขาบูชาด้วยก็ขอให้พวกเราบําเพ็ญเรื่องสมาธินะวันนี้นะการบําเพ็ญสมาธิหลวงพ่อเคยแนะนําเคยสอนเดินทางทางเดินจงกรมมีหยุดทกเส้นที่กุฏิเวลาเราขึ้นทางจงกรมเราขึ้นไปอยู่สด ชุดข้างใดข้างหนึ่งของทางจงกลมพอเรายืนหยุดจุดแล้วทางจงกลมไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อนะไม่เป็นหลุมด้วยว่าทางเรียบพอสมควรถ้าไม่มีทางกับมันเดินทางทางนี้ก็ได้ทางรถนเราเอาเทียนจุดสองข้างใช่อย่าให้มันไกลกันเกินไปเพื่อมองเห็นได้ว่าอสารพิษพวกงูพวกอะไรข้ามไปตะคงตะขาบข้ามไปเราก็หาไม้ขวางใช่ ตัวสิ่งที่ให้เราสังเกตได้ว่าเป็นกิ่งไม้หรือเป็นอะไรขวางกั้นไว้ทั้งสองข้างจากนั้นเราก็อยู่จุดอยู่ข้างใดข้างหนึ่งชุดข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ประนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกไหว้ครูซะก่อนก่อนจะเดินโยกกลมก่อนที่จะเดินโยกกลมไหว้ครูซะก่อนนึกพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลง เอามือลงในระหว่างท้องมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็ก้าวขาขาขวาพุทธขาซ้ายโถหรือเราจะแผ่เมตตาก่อนก็ได้เรายืนนิ่งซะก่อนพอพุโทโธธรมโมสังโฆสามจบเสร็จแล้วเราแผ่เมตตาก่อนก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุ ขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาคือทําใจให้อ่อนโยนซะก่อนเนี่ยคือไม่ผูกอาฆาตกับใครๆทั้งหมดจากนั้นก้าวขวาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถเดินตามปกติอย่าไปเดินช้าและก็อย่าไปเดินเร็วอไม่ใช่ว่ายกขึ้นมาแลยยกหนอย่างหนอเหยียบหนอ ใจของเรามันเร็วยิ่งกว่าลูกกระสุนปืนอีกต่างหากมันเร็วทึกขนาดนั้นใจของเรามันกว่านั้นอีกเพราะนั้นเราจะไปเดินไม่ต้องเดินช้าหรอกเดินตามปกติขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทธโทพุทธโทพุทธโถให้มีสติในการก้าวเดินเราจะหมุนไปทางไหนหมุนประทักษิณหมุนขวาถ้าเป็นไปได้เป็นเสียแต่เราจะหมุนซ้ายก็ไม่ไ ม, ไม่ผิดกฎกติกาหมุนซ้ายก็ได้หมุนขวาก็ได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ให้หมุนขวาดีกว่าใหรือเคยชินไปเลยเวลาไปถึงขมุนขวาแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมาถึงสุดที่เราเครื่องหมายแล้วก็หมุนกลับก้าวขวาขาขวาพุทธขาซ้ายโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทธโธแต่บางคนยุคนี้สมัยนี้กลับมีได้ยินขึ้นมาอีกเราทําไมจึงเอาพุทโธลงไปในใสัย เท้าของเราไปเหยียบไปย่ำพุโทโธมันจะไม่การไม่ขาดความเคารพเหลือนะอันนี้ทางว่าเราไม่ได้ยินจากครูบาอาจารย์นะเราก็คงจะคิดขึ้นมาอีกเหมือนกันเอ๊ะเราพุโทโธลงไปในเท้าของเราเนี่ยจะไม่มีจะไม่ขาดความเคารพเหลือนะแต่มันจะเป็นความคิดนะอยู่ในใจของเราอีกเหมือนกันแต่ตามไม่จริงใครนะว่าขาเนี่ยตีนเนี่ยมันตับ ใทยเป็นผู้สมมุติว่าศีรษะสูงมันเราทางนั้นให้ความสําคัญตีนมันก็ไม่ได้ว่ามันตีนมันต่ํศาศีรษะมันก็ไม่ได้ว่ามันสูงใจของเราเองให้ความสําคัญท่าว่าตีนต่ําเ อ, อศีรษะสูงอยู่ก็ตัดขาทิ้งสิออสศีรษะมันจะเดินได้ไหมแปลว่าอวัยวัตพกส่วนของร่างกายมีคุณค่าเสมอกัน สูงก็สูงด้วยกันต่ำก็ต่ำด้วยกันเราจะไปให้ความสําคัญว่าตรงนั้นสูงตรงนี้ต่ํามันสําคัญด้วยกันทั้งนั้นในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเรากำหนดขาก็คือขามันก้าวเดินมันเคลื่อนไหวแล้วเราก็เอาเอาตรงที่เคลื่อนไหวจับที่เคลื่อนไหวถ้าเรานั่งลมหายใจมันเคลื่อนไหวเราเอามาจับที่ปลายจมูกที่มันเคลื่อนไหวะนี่แหละขณะที่เดินมันเคลื่อนไหวที่เท้าที่ขา แล้วก็ขาขวาพุทขาซ้ายโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่จากนั้นเมื่อได้เวลานานไม่หลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเคยเดินตลอดคืนเนี่ยเคยนะอี่สมัยเป็นพระน้อยหนุ่มเดินตลอดคืนเลยเดินเคยเดินอี่พอเราจะหยุดเราก็ปะนมมือนี่คืนระหว่างอกไหว้ครูอีกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ ส, สามจบ จากนั้นก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญเดินจงกรมในวันนี้ขอขอให้เป็นอปัจจัยเกื้อกุณหนุนออพระคุณของบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายตกทุกข์อยู่กอขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วกอขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปเอขอให้ข้าพเจ้าเออ ค้นทุกน่นวัตะสงสารหรือพูดใดก็ตามญาติพี่น้องเนยญาติโกโหติกาพ่อแม่ของข้าพเจ้ายังมีชีวิตก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตสินธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาจากนั้นเราก็ออกจากทางเดินอย่างกลมแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทนะัศน์ุศน แต่เนี้ยพอขึ้นมานั่งสมาธิเนี่ยทำอย่างไรนั่งสมาธิกันนะ่ะไหว้พระซะก่อนอรหังสวากาโตสุปฏิปโนไม่ต้องไหว้มากกว่าได้เพราะเราเป็นไหว้เคารพสักระจากนั้นก็เราก็นั่งขัดสมาธิเลยขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปะนมือกันระหว่างอกไหวค้ครูซะก่อนพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆ ส, สามจบแต่เราหัน หันหน้าไปทางหมอนของเรานะที่เราหันหัวไปทางไหนเราก็นั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางนั้น่ะอจากนั้นพอไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แผ่เมตตาอย่างที่ว่าเหมือนกันเข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขเข้าไปเจ้าตรงการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือทําใจของเรา ไม่ให้ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกับใครๆทั้งหมดปล่อยวางในขณะนั้นใคราให้ใจปล่อยปล่อยวางไม่ให้มีเรื่องอะไรเข้ามาสู่จิตใจทําให้ขุ่นข้องหมองใจทําให้จิตใจของเรามีอารมณ์โมโหโกรธากับใครๆปล่อยวางทั้งหมดให้ใจว่างให้ใจสบายจากนั้นก็เอามือลงกับบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท ไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้ใจอยู่ในปลายจมูกที่ลมเข้าออกเท่านั้นอให้มีสติสัมปะชัญญะในลมเข้าออกเท่านั้นนี่แหละวิธีการภาวนาจะนั่งกัพุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่งนานเท่าไหร่หนั่งตลอดทั้งคืนแต่หลวงพ่อเนี่ยเคยนั่งได้ประมาณหกเก็บชั่วโมงนะลูกหลานแต่ไม่เคยนั่งตลอดคืน หกเจ็ดชั่วโมงโอโหอพอมันแต่ขณะที่ใจของเรามันนิ่งมันก็อยู่ได้พอใจถอนออกมาท่านนั่นแหะมันเป็นไฟในที่ขานี่แหละอันนี้ก็เคยนั่งหลวงพ่อนั่งที่วอาที่ว่านั่งได้และนั่งไม่ได้หลวงพ่อก็บอกให้ฟังเดินยังกรมตลอดคืนหลวงพ่อเคยเดินมาแล้วแต่นั่งหลวงพ่อได้ประมาณแปดชั่วโมงหกเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนี่แหละ อันนี้ก็คือการนั่งจากนั่งก็แผ่ออกจากสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลนะแต่ถ้าว่าจิตใจของเราสงบนิ่งอยู่ตลอดมันไม่ออกมารอบรับรู้ทางกายอันนั้นมันก็อยู่ได้นานนะแต่ถ้าว่าใจของเราหลุดออกมาเรื่อยมาสัมผัสทางร่างกายอยู่เรื่อยมันจะอยู่ไม่ได้นานนะมันมันมันเวทนามันเกิดอย่างรุนแรงนะเพราะนั้นให้ลูกหลานทดลองทดสอบดูก็แล้วกันนะ การนั่งภาวนาทำใจให้ว่างทำใจให้สบายไม่คิดอะไรทั้งหมดในขณะที่นั่งจากนั้นเมื่อออกจากสมาธิก็แผ่เมตตาอย่างที่เหมือนกับเราเดินจงกรมนั่นและนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการเดินจงกรมวิธีการนั่งภาวนาถ้าเรารู้จักวิธีเนะี่ยไม่ยากง่ายนิดเดียว ไม่ได้ยกคูยกคายอะไรทั้งหมดอ่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนน่าจะทานญาติโยมอยู่ณนบ้านก็ได้อยู่ในป่าก็ได้อยู่ในวัดก็ได้เสรุปแล้วก็คืออยู่ในสถานที่สงบสงัดเป็นส่วนตัวส่วนตัวถ้ามีคนมาก อ, อยู่ข้างๆ ข, ของเราเข้าเขานอนคนคือกากือกากี่เนี่มันจะนั่งภาวนาจะไม่สงบแต่ถ้าเรานั่งอยู่ตามลําพังเอี นอนอยู่ตามลําพังในขณะรเรานั่งสมาธิให้อยู่ตามลําพังที่สุดเพราะนั้นท่านยิงให้พระกรรมฐานเนี่ยไปอยู่ในป่าโรงพงไพ่ยอยู่ตามลําพังเพราะเหตุใดกับเพราะนี่แหละเพราเป็นเอกเทศเป็นส่วนตัวจากนั้นกับภาวนาจิตใจจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายฮพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตา ย, ยาญาณโยมทุกๆท่านนะนี่แหละวิธีการภาวนาเมื่อภาวนาจิตใจสงบแล้วจะไง เราจะรู้ได้ดูตนเองกายกับใจเป็นอะไรเดี๋ยวในกายใจของเรามันหลงหลงร่างกายพราร่างกายเนี่ยเป็นของตัวตนจริงๆในเมื่อเราภาวนาดูแล้วจิตใจสงบดูแล้วเห็นแล้วเออร่างกา ย, ยว่าเราไปยึดมั่นถือมันก็จริงอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งแต่อีกสักวันหนึ่งมันจะต้องพัดพากจากกันนะกายกับใจเนี่ยอีกสักวันหนึ่งมันอเแก่แก่เจ็บตายในที่สุดจากนั้นใจของเราออกจากร่าง เราเนี่ยหลงร่างกายของเราเองไม่ใช่หลงที่อื่นนี่แหละเมื่อหลงร่างกายแล้วก็หลงอย่างอื่นหลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศักดิ์ผลสุดหลงกระทั่งตัวเองว่าข้าเป็นใครคิดว่าตัวเองจะไม่ตายอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะหลงตัวเองพลัน ถ้าใจของเราไม่หลงตัวเองแล้ว่หเห็นว่าร่างกายเนี่ยอีกสักวันหนึ่งเผาไอยทิ้งแน่นอนเหลือแต่กระดูกนะร่างกายนะเยถ้าเราเห็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละออะไรจะมาทําให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ล่ะเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนนะเพราะเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วจากนั้นใจของเราก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น เป็นสภาพของมันเป็นธรรมชาติเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยเป็นตามธรรมชาติของมันใจของเราคือธรรมชาติหนึ่งเรารู้จริงแล้วมันก็ไม่เพิ่มกระเพื่อมไม่มีอารมณ์โมโหโกธาโลกรดหงเรื่องจิตใจเมื่อเราพิจารณาทำถึงขั้นนี้แล้วนะ่ะมันเข้ามาหาใจเลยใจกับกายกายกับใจใจกับกายอ ผลในสุกรมารอยู่ที่ใจตลอดเลยรู้แจ้งเห็นจริงที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจในความบริสุทธ์หลุดพ้นพระหันมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเท่านั้นเองนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะทา ย, ยาทโยมทุกๆท่านนะให้ตั้งใจธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวการวางตัวในะการเป็นอยู่ออย่าไปมองคนอื่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูบาอาจารย์อย่าไปออย่าไปอย่าไปแตะไฟอย่าไปใกล้ไฟน่ยมันเป็นไฟให้ครูบาอาจารย์ให้ห่างแต่ให้เคารพในความคิดเอเราจะบูชาพระคุณท่านก็บูชาเราจะทําบุญทําทานท่านก็นทำทานแต่ว่าการดูถูกเหยียดหยามที่เราไม่รู้จริงเห็นจริงนั้นอ่าเราไปพูดเราไป แสดงอกับกิริยานะี่ะหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะลูกหลานทุกคู่ทุกคนสัทธา ญ, ญาดโยมนะให้เคารพเอาไวา้เนียอันนี้บอกกล่าวกันพอเราไม่รู้เราจะไปแตะเราจะไปยุ่งกับไฟเดี๋ยวมันไฟไหม้ขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มค่าไงทั้งที่เราสังสมบารมีมาม า, มากต่อมากพอพูดไม่เป็นที่เป็นทางทําให้ท่านไม่เข้าใจแตแกแยกสมัคคีกันเท่านนะั้นน่ะ เราเป็นบาปเป็นกรรมตกนระกหมกไหมไม่เป็นผลดีสําหรับเรานานเท่านานอย่าให้เสียอย่าให้เสียถ้าเสียทีในแนวความคิดในการพูดการกระทําของตนเองให้เระมัดระวังกายวาจาใจถ้าเราระวังได้แล้วนะั้นมีแต่ความสุขความเจริญชาตินี้ก็เจริญเกิดมาชาติหน้าพบหน้าก็เจริญผลที่สุดก้าวเดินไปเรื่อยๆจนถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดนะ การพูดในะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติอ่าตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะนั่งคัจสมาธิตชั่วระยะหนึ่งจากนั้นยังค่อยแยกย้ายกันกลับกลับไปแล้วให้นั่งภาวนานะาเป็นไปได้เอานั้งคืนเลยคืนนี้อันนี้เป็นการนั่งเพื่อรวมกลุม่มเพื่อเราจะได้รู้ว่าการนั่งภาวนานทำอย่างไรบางท่านก็ยังไม่เคยในการนั่งต่อไปเคยนั่งแล้วตนนี้นั่นแหละ เราก็จะได้เห็นด้วยได้ฟังด้วยได้ได้เห็นด้วยฟังเมื่อกี้ในี่ฟังแล้วเดี๋ยหลวงพ่อสอนอยังไงบัดนี่จะได้เห็นบัดเอาจะสอนวิธีการนั่งนั่งขัดสมาธิที่นี่นะ